วันอาทิตย์ที่14มียนพศ2539เป็นการบรรยายคมภีมหาปฐฐานโดยอาจารย์สุเทพพูธธทิศธาท่านสาธุชนผู้ใกล้รามที่เคารพการบรรยายเกี่ยวกับปับจจัย24ในกรางมี จะได้ขึ้นประเด็นถัดไปของเอกสารชุดที่ได้ใช้บรรยายเมื่อกล่าวดีแล้วนะครับขอให้ดูในประเด็นที่สี่หัวข้อที่เก้าที่ได้ขึ้นหัวข้อในที่นี้ว่าปัจจัยกับปับจจัยยุบันคาว่าปัจจัยนั้นได้กล่าวมาแล้วว่าเป็นชื่อของเหตุ และเหตุในความหมายในทางพระพุทธศ า, าสนาโดยเฉพาะโดนนายักษของคมภีร์มหาพฐานนั้นสามารถกําหนดได้ว่าเหตุนั้นคืออะไรเท่าไรอย่างไรเพราะฉะนั้นคําว่าปัจจัยจึงหมายถึงเหตุที่อยู่ในขอบเขตของปัจจัยยี่สิบสี่หรือปัจจัยห้าสิบสองนั่นเองสําหรับคําว่าปัจจิยุบันนั้นแปลว่าสิ่งที่เกิดจากปัจจัยซึ่งก็คือผลนั่นเองครับ และผลในที่นี้เป็นผลที่สามารถจะนับได้ว่าผลของปัจจัยอะไรเท่าไหร่และอย่างไรก็คือเป็นผลที่อยู่ในฐานะที่เป็นผลเกิดจากปัจจัยยี่สิบสี่หรือปัจจัยห้าสิบสองนั่นเองดังนั้นคำว่าเหตุกับผลเหตุผลเหตุผลที่เราพูดกันว่าเป็นลักษณะของพระพุทธศาสนาศาสนาพุทธเป็นศาสนาเหตุผลนั้นไม่ใช่พูดแต่เพียงว่าเป็นหลัก กว้าง น, นั้นแต่ว่าสามารถที่จะบอกได้ว่าเหตุเท่าไหร่ผลเท่าไหร่เหตุอะไรเกิดจากผลอะไรแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องกําหนดไว้ในที่นี้ว่าเหตุผลที่พูดกันในทางสภาวะของปรัชิธรรมนั้นเป็นเหตุผลที่พูดในนือของสภาวะธรรมชาติไม่ใช่เหตุผลในชั้นสมมุติเหตุผลในชั้นสมตมตินี้ไม่สามารถจะนับได้ทั่วเหตุผลทั้งสมมติหมายถึงอะไร ก็หมายถึงเหตุผลที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบัญญัติธรรมอ่าแล้วบัญญัติธรรมคืออะไร น, นะหนะผมจะไม่พูดอีกในทีน่นี้อ่าท่านที่เรียนมาแล้วก็จะนึกได้ทันทีว่าในโลกของสมมติในโลกของบัญญัตินั้นแม้แต่ตัวเราทั้งตัวเนึ่ยก็เป็นสมมติเป็นบัญญตัติคนสัตว์ก็เป็นสมมติต้งหมากลาไม้เป็นสมมุติเท่านั้นดวงดาวดวงอ า, าทิตย์เป็นสมมติวันเวลาเป็นสมมติทั้งสิ้น ไม่ใช่สภาวะในทางลึกที่เป็นความจริงขั้นอันสุอันตริมาหรือความจริงขั้นสุดยอดแต่ปัจเจยริศีนั้นพูดในฐานะที่เป็นสภาวะธรรมไม่พูดอย่างเป็นเรื่องสมตตสมติเพราะสมมติเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เอาเข้าจริงแะในทางสภาวะนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีเหตุผลสมมุตินะแต่อันนี้ก็ต้องเรียนย้ําว่าท่านที่ ติด m, ตามทุกสาระติดตามโดยลาดับแล้วจะเข้าใจทันทีสมมตินั้นเป็นสิ่งไม่มีเหตุผลเพราะว่ า, าสมมตินั้นไม่ได้เกิดจากเหตุจากปัจจัยคือมันเกิดขึ้นจากความนึกคิดของเราเดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีไม่มีเป็นเรื่องจริงเพราะนั่นที่เราบอกว่าเกิดจากความคิดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสมมติพูดดีกแหละแตตรงนี้นะเบลูงหนาแต่ก็พุทราเื่อง ยากในทางจะอธิบายแก่ ค, คนที่ยังไม่เข้าใจเลยเลยนะก็ถ้ายังไม่เใจตรนี้ก็ผ่านพ้นไปให้สร้างหลักว่าเหตุปัจจัยหรือเหตุผลที่พูดในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในคำภีมหาฐรรานนั้นเอาสภาวะปรมัภูตจิ่เจตสิกเป็นสภาวะปรมัภูตที่สิบแปเป็นสภาวะปรามาภูตและประมาภูตกับปรมาภูตก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้กรรมและกรรเกินไปจากนี้ อมันมีอีกคำหนึ่งที่อยากจะเติมพูดตรงนี้ซะด้วยซึ่งเป็นคำที่อยู่ในเครือของคำว่าปัจจัยปัจจิบันและมีคำคือปัจจนิคคำว่าปัจจนิค ก, ก mm hmm. ็เขียนคล้ายๆปัจจัยนะเพียงแต่ว่าไม่มี ย, ย, ย่อหยักนโนสุลีกกไกอ่านว่าปัจจานิกะใ น, นรัมมิญบาลีอย่างสัมมีไทยเราก็เรียกว่าปัจจนิคถามว่าปัจจานิคคืออะไร ตอบว่าปัจจนิกนั้นคือทำที่ไม่ใช่เหตุหรือไม่ใช่ผลของข้อเหุผลนั้นเอาความง่ายๆอย่างนี้ทำที่ไม่ใช่เหตุและไม่ใช่ผลของคู่เหตุผลนั้นเรียกว่าปัจจนิกถ้ายกตัวอย่างเปรียบเทียบ ก, ก็คือเช่นบุตรคนหนึ่งเกิดจากพ่อแม่พ่อแม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยบุตร เป็นปัจจิุบันบุตรของพ่อแม่คนนั้นเป็นปัจจุบันลูกคนอื่นเป็นปัจจุิัคือลูกนั้นไม่เกี่ยวในฐานะที่เป็นพ่อแม่ของลูกคนนี้แล้วก็ลูกคนอื่นก็ไม่ได้เกี่ยวกับพ่อแม่คนนั้นในฐานะที่เป็นอลูกของพ่อแม่นั้นนะก็คือว่าไอ้เหตุกับผลเนี่ยมันจะมีคู่ออกมาในนี้นะซึ่งที่ไม่ใช่เหตุนั้นแล้วไม่ใช่ผลนั้น เรีอกวาปัจจานิสแต่มันอาจจะเป็นเหตุผลที่เกิดจากเหตุผลของมันนเป็นอีเรื่องหนึ่งเอาครั้นี้มาดูในหลักรายละเอียดหลักรายละเอียดที่ว่านี่เป็นข้อสรุปใหญ่ของกฎเหตุผลในพระพุทธศาสนาหนึ่งตรงนี้ดูแปลกหน่อยครับผลอย่างเดียวเกิดจากเหตุมากอย่างไม่มีนี่เป็นเป็นภาษาในคมภีร์ ที่ผมเก็บเอามาเรียงให้ดูเป็นข้อแล้วง่ายๆที่ว่าขนอย่างเดียวเกิดจากเหตุมากอย่างไม่มีตรงนี้ตีความเป็นผิดก็ได้เป็นถูกก็ได้ที่ว่าตีความเป็นถูกเนี่ยก็หมายความว่าไอ้ผลอันหนึ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เกิดจากเหตุจากปัจจัยเดียวมันเกิดจากเหตุจากปัจจัยหลายอย่างอันนี้ือส่วนถูกแต่ว่าที่ท่านประสงค์พูดก็มีหมายความว่าขนอย่าง เหตุผลหลายอย่างเนี e> ่ยนานะไม่ได้ทำให้เกิดผลเหตุหลายอย่างไม่ได้ทำให้เกิดผลอย่างเดียวเหตุหลายอย่างไม่ได้ทำให้เกิดผลอย่างเดียวเพราะมาจะขอเลยข้อนี้ไปดูข้อสองแลสามแล้วย้อนกลับไม่ทีจะเข้าใจชัดขึ้นเราดูประเด็นที่ว่าในบรรดาถัดไปว่าผลมากอย่างเกิดจากเหตุอย่างเดียวก็ไม่มีนะข้อนี้เข้าใจง่ายหน่อยหมายความ อย่างของท่านว่ายังไงในหลักเหตุผลทางปาสานาปฏิเส ธ, ธว่าเหตุอย่างเดียวไม่สามารถที่จะทําให้เกิดผลได้มากอย่างเาข้อนี้หมายความว่าเหตุอันเดียวนะเหตุอันเดียวที่จะทําให้เกิดผลที่เป็นเฉพาะของตัวได้มากอย่างไม่มีเอเหมือนกับอย่างเราพูดว่าต้นไม้ต้นหนึ่ง ต้นไม้ต้นหนึ่งเนียพูดอย่างสมมติเนี่ยมันอาจะพูดได้ว่าอย่างนี้ต้นไม้ต้นหนึ่งทําให้เกิดผลไม้ได้หลายผลใช่ไหมอันนี้คือพูดอย่างสมมุติแต่จริงๆน่ะผลไม้นั้นเกิดจากต้นไม้ต้นเดียวหรือเราไม่ต้องมานั่งแยกต้นไม้มาประกอบด้วยใบด้วยดอกด้วยลำแต่ว่าความเป็นต้นไม้ต้นเดียวเนี่ยเช่นเราไปตัดต้นมะม่วงอมั ตาแบบให้สเสด็จจากน้ำในลำต้นให้สเสด็จจองค์ประกอบอย่างอื่นนะะเอาไปลเหลือแต่กิ่งเหลือแต่ลำต้นสา ม, มารถที่จะให้เผยผลได้ไ้ยไม่ได้แสดงว่าไอ้ที่เราพูดว่าต้นไม้ต้นเดียวทำให้เกิดผลมากอย่างนั้นแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่ต้นไม้ต้นเดียวหรอก เ, อเราพูดตามราต่สมมติเราูดได้ใช่ไม่ได้ พูดตามภาษาสมุดพูดได้จริงงแล้วมีเหตุปัจจัยอีกหลายอย่างที่เข้ามาเป็นองค์ประกอบในความเป็นต้นไม้ต้นนั้นต้นไม้ต้นนั้นจึงสามารถจะจะปลิดด อ, อกผลได้มากอย่างเพราะเหตุนั้นท่านจะรบผลามากอย่างเนี่ยเกิดจากเหตุอย่างเดียวไม่มี ตรงนี้นะมันมีไอ้ไอไ้ความจริงอันหนึ่งที่บางทีเราอาจจะนึกสับสนปนกันว่าเหตุอย่างเดียวเนี่ยทำให้เกิดผลมากอย่างได้เ็ามีไม่ใช่หรือยกตัวอย่างเช่นว่าความที่เราทำบาปเอาไว้เช่นว่าแผ่พระเทวทัตไปทำบาปคือไระพุสธลายพระพุทธเจ้า พระเทวทัตใช้เวลาตีหินไม่นานนะักใช่มะก็เดียเด๋ยวๆแล้วก็ได้เกับการกระทําครั้งนี้นะทํำด้วยกรรมมันเป็นเพียงคดีเดียวแต่ผลทําให้พระเทวทัตนั้นต้องไปตกนรกเป็นเวลานานแล้วก็นอกจากนั้นยังมีเศษกรรมที่จะทําให้พระเทวทัตนั้นต้องไปสรุปบาปเป็นเศษกรรมหลวงหรืออีกเป็นอันมากคล้ายๆพระโมวคัลลานะ ที่เคยไปทํากับพ่อแม่ไว้นะเพราะฉะนั้นคนที่ด่าเขาเพียงแค่ครั้งเดียวเนี่ยไอ้ผลในทางทําลายมารเกิดหลายอย่างเชียนผลในทางสังคมคนเขาก็กเกลียดผลในทางนี่อุปในิสัยใจคอมันก็ไม่ดีผลในทางเวียนทางกรรมที่ตัวเองจะได้รับรก็จ่ต้องไปถูกเขาด่าหรืออาจจะจะไปตกนรกหมกไหม หรืออาจจะกลายเป็นคนที่ได้ลัทธิบาปเศษกรรมคือมีกลิ่นปากเหม็นก็ดีหรือเป็นโรคผิวหนังคนเป็นโรคผิวหนังเนี่ยเกิดจากหลายสาเหตุนะฮะไอเหตุหนึ่งก็คือเป็นคนที่มีวาจาทุจริตคือไปด่าหรือไปใส่ร้ายก็ดูพราะว่าไอสิ่งเหล่านี้นะการกระทาคือการด่าอย่างเดียวเนี่ย ทำให้เกิดผลเัื่หลายอย่างนะไอต้ตรงนี้เนะี่ยผมอ้างขึ้นมาเพื่อให้เกิดความคิดในทางกว้างในลักษณะที่เรียกว่าเหมือนกับแย่งหลักแต่ที่จริงแล้วต้องการจะให้ท่านเข้าใจความหมายของสิ่งที่ท่านพูดไว้ตรงนี้ให้ชัดว่าที่ท่านพูดเนี่ยหมายความว่ายอย่างไรคือที่ผมว่าเนี่ยเมื่อกี้ยกตัวยอย่างมาในลักษณะของการค้านหลักเนี่ยเพื่อจะอธิบายหลักว่าหลักไม่ได้หมายความอย่างนี้ลึกกว่านี้ลึกกว่านี้คืออย่างไร คือสมมติว่าเราพูดว่าเราไปด่าเขาไว้แล้วก็กลายมาเป็นคนเป็นโรคหิวหนังอย่างพระพุทธเจ้าว่าในพระสูตรแล้วก็อย่างความเป็จริงที่เกิดขึ้นกับคนเป็นนั้นมากในสมัยพระพุทธเจ้าหรือแม่แต่ในสมัยนี้ผมถามว่าโรคหิวหนังที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นจากการรมอย่างเดียวล้วนๆเหรออย่างอี่ไม่เกี่ยวเลยหรือไม่มีข้ามามีส่วนแห่ง ปรากฏการณ์คือโรคผิวหนังเลยหรือมีหรืไม่ ม, ไมีมีครับมีคืออย่างไรก ร, รมอย่างเดียวมันทำอะไรไม่ได้ใช่ไม่ใช่ก ร, รมจะทําให้ผิวหนังเป็นอย่างนั้นได้คนนั้นอาจจะไปกินอาหารแฉลงบางทีมันก็ไม่แสลบกับคนอื่นมันแสลงกับคนบางคนก ร, รมมันมันเอาเป็นช่องของมันหรืออาจจะ ไปสัมผัสถูกต้องอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันอาจจะไม่ใช่เรื่องหนังนาสาหัสสำหรับคนอื่นหรือสำหรับเมื่อกรรมนี้อย่างไม่ได้จ้องให้ผลแต่พอกรรมนี้จังจะให้ผลมันก็ฉวยปดนโอกาสเรื่องนิดเดียวกลายเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหอาจจะไปโดนเป็นผงแผลอะไรนี่แล้วกลยลามใหญ่โตเลยทีเดียวที่ยกตัวอย่าง่ า, งางนี้นะเพื่อแสดงว่า ไอ้ปรากฏการทางโลกอยู่หนังเนี่ยมันเกิดจากเหตุอย่างอื่นด้วยนะฮะไม่ได้เกิดจากกรรมอย่างเดียวล้วนแต่ว่าเมื่อถามว่าอะไรเป็นตัวหลักไอ้นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งตรรมเป็นตัวหลักในกรณีนี้นะถ้าที่ยกเรื่องอย่างนี้นะเพื่อจะว่าผลเหตุอย่างเดียวเนี่ยอย่างที่ว่าตรงนี้นะ ผลมากอย่างเกิดจากเหตุอย่างเดียวไม่มีในที่นี้หมายความว่าเหตุอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้เกิดผลอะไรขึ้นมาได้โดยเอกเทศหนาะอันหนึง่งแล้วก็ผลอย่างเดียวในขนาดเหตุผลเดียวนะฮะเหตุผลเดียวกับเหตุเดียวนี่มัยังไม่ได้ไอ้ว่าเดียวนะมาว่าคนอื่ไม่เกี่ยวนะ จะต่วกล่าวไปใหญ่ถึงผลมากอย่างแล้วเหตุเดียวจะเป็นเจ้าของนี่ก็ะสือผลนั้นไปเหตุทุกอย่างได้เหตุเดียวโดยเหตุอื่นไม่เกี่ยวไม่มีเพราะฉะนั้นแม้แต่การเห็นรูปด้วยตาถามว่าเห็นรูปดีไม่ดีฟังเสียงดีไม่ดีในทางอธิธรรมขั้นละเอียดอธิบายว่าอาโสจากสุญญ เห็นรูปไม่ดีนั้นเป็นกุศลนิบาศเปนะกุศลนิบากุศลนิบาศใช่ไหมเห็นรูปดีเป็นกุศลนิบาศเดวเดียวก็เดีเดียวก็คือวิบากเดียวเดียวแรงแค่ไหนเลยแค่ไหนก็คือน้ําหนักของกำลังแค่นั้นแค่นั้นนะทีนี้ถามว่าการที่เราเห็นดีเห็นไม่ดีเนี่ยมันกรรมทำกรรมอย่างเดียวหรือเป็นปัจจัยในการเห็นไม่ดีนี้ ในการเห็นดีนี้ตอบก็ไม่ใช่แล้วถามว่ามีอะไรอีกมีอย่างอื่นอีกอย่างอื่นคืออะไรอย่างอื่นคือจักรสู่ปร า, าสาทเป็นปัจจัยไหมเป็นรูปารมณ์เป็นปัจจัยไหมแสงสว่างเป็นแสงสว่างอูปรมณ์นะและเหตุประกอบอื่นๆในปัจจัยเนี่ยท่านว่าไว้ถึงเจ็ดสิบกว่าเกตุ แค่เห็นเดี่ยวๆเนี่ยนะเจ็ดสิบกว่าเหตุเรียกว่าปรลาดมากเห็นเดียวๆก็พิสตาเดียวๆเนี่ยครับเป็นรูปสิบอย่างเลยมีทั้งเหตุเก่าเหตุใหม่เหตุหลักเหตุรองโอนกันยุ่งเหยิงหมดและในบรรดาเหตุเหล่านี้ต่างกันแต่ว่าอะไรเป็นเหตุหลักเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยท่านกล่าวว่าผลนั้นนี้เกิดจากเหตุนี้เหมือนพูดไว้เหตุเดียวนะ เป็นการกล่าวด้วยอำนาจเหตุหลักนะและเวลาแก้แก้ไขสิ่งที่ผลที่เราไม่ต้องการเราก็ต้องจกกับเหตุหลักให้ได้จับหัวหน้าเหตุให้ได้ที่เะาเรียกว่าเป็นประดานเหตุเป็นประมุขของเหตุแล้วก็ทำลายเหตุนั้นหรือ แ, แก้เหตุนั้นด้วยวิธีการใดๆผลนั้นก็จะเล่าอ่อนลงเราก็สามารถที่จะบาบัดแก้ไขเหตุอื่นได้ง่ายขึ้น บางทีเราแก้เหตุหลักได้เหตุอื่นมันลอยตกไปด้วยในบางผลนะเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงขอย้ำว่าที่ว่าผลมากอย่างเกิดจากเหตุอย่างเดียวไม่มีหมายเอาเฉพาะผลมากอย่างที่เกิดจากเหตุอย่างเดียวโดยไม่เกี่ยวกับใครเลยนะไม่ได้ไม่เกี่ยวกับใครเลยไม่ได้ เหตุอย่างเดียวเนี่ยมันทําให้เกิดผลมากอย่างได้จริงแต่มันเกี่ยวกับคนอื่นด้วยผลอันนั้นไม่ได้เกิดจากเหตุเดียวอันนั้นเท่านั้นกระจายอย่างทีนี้มาดู <c oughs> ข้อความถัดไปซก่อนว่าผลมากอย่างเกิดจากเหตุมากอย่างเท่านั้นนี่เป็นเป็นบทสรุปหลักเลยครับของทาง หลักเหตุผลทางพุทธศาสนาผลมากอย่างเกิดจากเหตุมากอย่างเท่านั้นคําว่าผลมากอย่างเนี่ยหมายถึงว่าเรายกผลอะไรขึ้นมาผลหนึ่งอธิบายได้ว่ามันเกิดจากเหตุอะไรบ้างยกผลอื่นขึ้นมาอีกผลหนึ่งอธิบายได้ว่าเกิดจากเหตุอะไรบ้างผลสิบอย่างบางทีมันก็เกิดจากเหตุซ้ําๆปนๆ คือว่าไอ้เหตุปัจจัยหลายๆอย่างเนี่ยมันมีผลที่จะทำให้เกิด ปรากฏการเป็นอันเดียวกันได้จึงว่าผลแต่และผลเกิดจากเหตุได้หลายๆเหตุจึงบอกว่าผลมากอย่างแล้วก็เหตุเกิดจากเหตุมากอย่างก็หมายความว่าเหตุที่ทําให้เกิดผลนั่นแหละอันนี้ก็เป็นการพูดรวมๆโยกผลขึ้นมาอย่างเดียวก็มีเหตุหลายอย่างหรือยกเหตุขึ้นมาอย่างเดียวก็โยงไปหาผลได้หลายอย่างแต่ว่าไม่ผูกขาดนะเหตุเดียวนะทำให้เกิดผลได้หลายอย่างในความหมายว่า ไม่ใช่อภิสิทธิเด็ดขาท่านจึงเปรียบเทียบเอาไว้ที่อัดย่อย บ, บางตัวมาว่าดุจต้นไม้มีสีกลิ่นลดโกรธจากดินน้ําแสงแดดเป็นต้นไอ้ที่ว่าต้นไม้มีสีกลิ่นรดเนี่ยคือความเป็นต้นไม้ทั้งต้นไม่ใช่ต้นเดียวเราเรียกว่าต้นเดียวเป็นการพูดแบบบัญญัติแบบรวมๆแต่จริงๆต้นไม้เนี่ยไม่มีเป็นต้นเดียวใช่ไหม มันเกิดจากองค์ประกอบหลายๆอย่างแล้วเราก็สมมติกลุ่มๆเหมือนเรียกคนคนเดียวว่าเป็นคนคนหนึ่งต้นไม้ก็เช่นเดียวกันแท้ที่จริงแล้วไอ้เนื้อในของมันนะมันเป็นหลายผลปรากฏเหมือนตัวเราคนเดียวเนี่ยมันก็ไม่ใช่คนเดียวไอ้ความเป็นคนเดียวมันเป็นพูดโดยสมมติความจริงแล้วมันก็เป็นที่ประชุมของผลแห่งสภาวธรรมหลายๆส่วน นับหน่วยกันไม่ทั่วหรอกถ้าจะนับกันเอาละเอียดยิดไปหมดเนี่ยนะมันก็เป็นผลหลายอย่างก็เกิดจากเหตุหลายอย่างกรรมบ้างอาหารบ้างความร้อนบ้างอุตวแล้วก็เกิดจากจิตบ้างเนี่ว่ายอย่างย่ยอๆถ้าอย่างปัจจัยยีสี่ก็สามารถแสดงได้แต่ตรงนี้เรายังไม่ต้องเข้าไปไล่ยี่ตัวปัจจัยจริงๆนะ เพราะฉะนั้นนี่ถือเป็นตัวหลัก แ, แล้วก็สิ่งเหล่านี้นะ่ยถ้าเราเข้าใจหลักตรงนี้เนี่ยมันมีผลอย่างไรกับเราคนที่เรียนปฎิฐานและจับหลักสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้มีผลอย่างไรตอบว่าเราจะไม่โทษหรือไม่สแสวงหาคำตอบไม่สแสวงหาสาเหตุปีเหตุเดียวไอ้ความ คิดที่เรียกว่าวิปัจหวาทีวิพัจหวานะจะเกิดขึ้นในการหาเหตุผลที่ว่ า, าสัพพนิธรรมคือความรู้เหตุรู้ผลเนี่ยไอ้คาว่ารู้เหตุรู้ผลอย่างเดียวนะมันไม่พอครับยังไม่สมบูรณ์ในทางหลักศาสนาวะ่ะถ้าเราบอกว่าเออที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรนะเรามุ่งไปหาเหตุเดียวเลย ลบมือหาเหตุไม่ได้ก็บอกหาสาเหตุไม่ได้นะถ้าเป็นในทางหลักศาสนาเนี่ยเขาจะแยกแยกว่าผลอันนี้ปรากฏการณ์อันนี้มันเป็นปรากฏการ์กี่ส่วนคือไม่ใช่ตีเอาเป็นลักษณะกงคลุ่มนะปรากฏการ์กี่ส่วน อ, อ ตรงนี้นะถ้าเราเรียนธรรมาแล้วก็มามองชีวิตคนมองชีวิตตัวเองมองอะไรอเนี่ยนะเราจะแยกไอ้ปรากฏการ์คือถ้าคิดอย่างแบบชาบ้านเนี่ยเราคิดเป็นรวมๆเลยคิดเป็นรวมๆว่าเอาอันเดียวดีก็ดีอันเดียวชั่วประจวันเดียวเป็นหน่วยเดียวแต่จริงๆนะมันเดียวไม่ได้เพราะคําว่าอะไรเดียวๆอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นเรื่องสมมติแต่ในหัวตัวเราเนี่ยถามว่าทุกคนอยู่ดีมีสุขหรือไม่ บอกใครอยู่ดีมีสุขยกมือขึ้นเราคนนั้ว่าอยู่ดีมีสุขเอาวันเดียวใครอยู่ไม่ดีมีไม่สุขก็ยกมือขึ้นโดยอยู่ไม่ดีมีไม่สุขวันเดียวแต่จริงๆแล้วมีใครบ้างที่อยู่ดีมีสุขโดยประการเดียวตลอดทั้งวันเอาแค่วันเดียวบอกตลอดทั้งเที่ยงโมงเอาชั่วโมงเดียวพอไม่มีอยู่ชั่วตลอด วันเรือก็ไม่มีนะนั้นทางศาสนาเนี่ยก็ถึงแยกว่าไอ้ในความเป็นคนเนี่ยแต่ว่าในชาตินี้นะ่ะแต่ว่าไอ้เวลาจริงๆนะเขาท่านในทางปฏิบัติเนี่ยว่าถึงว่ากระชับเข้ามาเป็นต่ละขนาดเลยขนาดของการรับรู้ขณะของเรียบทเนี่ยมันจะเลือกลายหลากออกมาให้เราเห็นว่าถึงวาระตรงนี้ถึงขณะจิตนี้ถึงก้าวนี้ถึงนั่งนี้ ถึงเห็นนี้ถึงได้ยินนี้อากุศนี้บาปปรากฏส่วนไหนกุศลนี้บาปปรากฏส่วนไหนมันจะเลียนออกมาหแลัะใครที่เข้าไปเห็นเป็นหน่วยของผลแบบหลากหลายอย่างนี้คนนั้นเข้าถึงกระแสเุผลอย่างละเอียดมากอย่างใกล้ชิดมากถ้าอยากหน่อยก็เห็นเป็นการรวมๆหยาบๆใกล้มาทางบัญญัติทีนี้เรามาพูดถว่า อย่างเราเกิดมาแต่ละชาติเนี่ยเราไม่ใเห็นว่าเราดีบางส่วนไม่ดีบางส่วนไอ้ดีไม่ดีตรง น, นี้ผมไม่ได้หมายถึงในแง่จริยธรรมในแง่ของผลแห่งการได้ชีวิตใช่นหมครับเราเกิดมามีขนาดมีตาด้ยก้างข้างหนึ่งไม่ดีข้างหนึ่งดีก็ได้ใช่ไหมมีตากับหูหูดีแต่ว่าตาไม่ดีหรือในแง่ของสุนทริยศุนท์จริยะ ในแง่ของจริยาอ่าบางคนอาจจะในแง่ค่าทางศุนทรีมดีเป็นคนเสวยคนงามแต่ว่าในค่าของจริยาต่ำเข้ามหมบางคนก็ประสบความสำเร็จในทางลาวสกัละในทางปัจจัยสีแต่ก็ประสบความล้มเหลวในทางสังคมมันเป็นไปได้อย่างนี้ไม่มองอยังหยับหยาที่สุดเพราะนั้น ถ้ามองอย่างในทางอยากชีวิตทั้งทั้งชาติเนี่ยมันก็จะมีขอบเขตที่เหตุปัจจัยมันวางกรอบมาให้อะไรเป็นเหตุปัจจัยหลักที่วางกรอบมาคือสิ่งเรลานี่มันมันรายละเอียดมันเยอะจนเราตั้งเราไม่สามารถจะอธิบายเป็นอยาดๆได้หมดนะแต่ผู้พ้อยเห็นเป็นแนวความคิดว่ามันจะมีเหตุปัจจัยที่เป็นตัวประธานเนี่ย hmm. กำหนดคุณภาพชีวิตมา กำหนดความสุขความพุกในชีวิตมา้ว่าคือไอ้กําหนดมา้เนี่ยมาในแปลว่าเป๊ะแค่นี้นะมันจะมีส่วนเรียว่ามีบริเวณพื้นที่พอให้ไปปลูกต้นหมากล่าไม้ได้บา้างลคนจะพัฒนาจะปรับอะไรอย่างไรจะมีความสุขอะไรได้บ้างจะบรรเทาทุกข์อะไรได้บ้างจะมีขอบเขตได้แค่นี้แค่นี้บางคนก็อาจจะมีความ ดังสิ่งเหล่านี้นะในเหตุปัจจัยที่เป็นตัวหลักมันกำหนดความเป็นไปชีวิตหมายแล้วก็รายละเอียดจนกระทั่งกระชับเข้าไปเข้าไปในแต่ละวันแต่ละอิริยาบถแต่ละลมหมายใจระหว่างลงหมหายใจกับลหมหายใจซึ่งเหล่านี้นะเป็นเรื่องเห็นได้จริงๆมีหนทางให้เห็นได้จริงๆแล้วก็มีผู้ได้เห็น มาแล้วได้จริงๆเพราะนั้นตัวเราเนี่ยจึงเป็นก้อนแห่งผลหลายๆผลเราเควบอกเป็นก้อนแห่งเหตุผลนะเนี่ยเราพูดได้ว่าเป็นก้อนแห่งผลเป็นก้อนแห่งผลหลายๆผลไม่ใช่ก้อนแห่งผลผลเดียวไอ้ผลเดียวนะพูดอย่างละมดุดแบบบอกคนเดียวช่างเดียวนี่นะแต่จริงๆแล้วมันไหลายๆรากดแห่งผลดี้อหลายผล ทั่วหลายผลและเกิดจากเหตุหลายๆเหตุตอนนี้เรา ย, ย้อนกลับไปดูมันด้าแรกเมื่อกี้ที่ข้ามาว่าผลอย่างเดียวเกิดจากเหตุมากอย่างไม่มีข้อนี้หมายความว่าเหตุตั้งหลายอย่างทําให้เกิดผลขึ้นมาอย่างเดียวไม่มีผลอื่นข้อนี้ไม่ใช่ เช่นว่าปัจจัยยี่สิบสี่ทให้เกิดการเห็นได้อย่างเดียวเห็นดีอย่างเดียวหรือเห็นชั่วอย่างเดียวข้อนี้ไม่ใช่หมายคว อ, อย่างนี้นะที่ในเราเราไปดูข้อที่สองประธานเหตุประธานผลก็มีไม่ใช่ก็มีเช่นภัสสะเป็นประธานเหตุเวทนาเป็นประธานผลของกัน เอาตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ในแง่ของข้อจดจริงานหนศงกื อ, นานานกอคบว่าประทานเหตุก็หมายถึงเหตุหลักกับผลหลักเอาปลูกข้าวอะไรเป็นผลหลักของการปลูกข้าวตั้งข้าวหรอ้อใบข้าวหรอ้อไม่ใช่มเมล็ดข้าวใช่มะไม่ถือเป็นผลหลักอะไรเป็นเหตุหลักของผลผลิตข้าวที่ได้ก็ มเมล็ดข้าวใช่ไนหะมเมล็ดข้าวเป็นผลหลัก ป, ปลูกพืชป่าผลไม้อย่างอื่นก็เหมือนกันอ่าทีอันนี่ก็เป็นเรื่องเหตุหลักไอ้เรื่องข้าวเนี่ยมันเหตุกับผลว่าเหมือนกันคือตัวเหตุกับตัผลเนี่ยมันเป็นสภาวะประเภทเดียวกันเหมือนกับประเด็นอื่นที่จะได้พูดต่อไปบางทีไอ้เหตุกับผลบางคนละตัวสภาวะก็มีเราลองคิดดูแล้วกันว่าเหตุเวลาคนเพราะเหตุเนี่ยเอาเหตุ ไปปรับแล้วมันมอออกมาแล้วเอาเชื้อเชื้อราใช่ไหมเชื้อเห็ดไปโรยมันก็กลายเป็นเห็ดไอ้ผลผลิตหลายอย่างที่มันไม่ได้เหมือนกับตัวผลมันไม่ได้เหมือนกับตัวเห็ดอ้นั่นเรืนน่องงงงงของการเทียบระหว่างตัวเหตุตัวผลง่อมันเหมือนหรือไม่เหมือนนะมันมีประเด็นหลังอยู่ดั้นในที่นี้ท่านยกตัวอย่างว่าผักสาเนี่ย เป็นเหตุให้เกิดอะไรได้บ้างถ้าจะเอาทุกอย่างไม่เอาวาเหตุว่าไม่ว่าหลักวะรองเนี่ยนะนะมันเยอะเช่นผัสสาไม่เหตุให้เกิ ด, กดตัณหาไหมได้ไหมได้บางแห่งพระพุทธเจ้า ก, ก็บอกว่าให้ระวังบัรสะเพื่อไม่ให้เกิดตัณหาผัสสาเป็นเหตุให้เกิดเจตสิกอื่นๆ ไ, ได้ไหมตามหลักระวิธรรมได้ เจตสิก อ, อื่นรับอารมณ์ได้เพราะปัจจามันกระทบอารมณ์ปัจจเจตสิกเป็นความ ร, รู้สึกรับกระทบอารมณ์แต่ว่าสึ่งที่เป็นผลโดยตรงเป็นผลที่เป็นประธานเป็นหัวหน้าคือเวทนาใช่ไหมใช่ปัจจเป็นเหตุให้เกิดเวทนาอากุศลกรรมเป็นเหตุให้เกิดกุศลกรือบาปหรืออกุศลหรบาป เป็นเหตุให้เกิดอากุศลนิบาศนี่นี่มัว่าถึงว่าความเป็นเหตุเป็นผลแต่ว่าไอ้จริงๆเนี่ยบางทีอาก <apers amigo, S 1> ุศลกรรมเป็นเหตุให <glacier pag>. ้เกิดกุศลนิบากหรืออากุศลน้บาศเป็นเหตุให้เกิดอากุศลนิบากศนี่นี่มัวว่าถึงว่าความเป็นเหตุเป็นผลแต่ว่าไอ้จริงๆเนี่ยบางที มันเป็นมีลักษณะที่เรียกว่าคนทําอากุศลบางอย่างแล้วมีกุศลเข้าไปเจือก็มีคนบางคนทํากุศลบางอย่างอากุศลเข้าไปเจือก็มีใช่ไม่ใช่แล้วก็บางทีก็ตั้งใจว่าจะทําเป็นชั่วแต่ทําไปทํามาเกิดไปเปลี่ยนแปลง น, น, นโยบายนะ บางทีเรืราตัางต้งเป้าหมายดีแต่วิธีการโกรธไม่ดีเวลากุศลหรืออกุศ ล, ลกรรมเหล่านี้ให้ผลเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเป็นเจ้าของผลนั้นโดยเอกเทศได้มันจะต้องว่วงกันไปดึงกันไปพ่องกันไปดึกปง ก, ดกันไปอย่างไรคือคนบางคนนั้นเมื่อได้รับกุศลมีบากแล้วจะมีอกุศล ตามติดเข้าไปด้วยแล้วก็เลยเข้าตำราว่าประสบความสาเร็จนั่นแหละจึงประสบกับหายนะอั น, นี้มีทั่วไปเลยที่เป็นล่าวอยู่ขณะนี้ก็มีเพราะนายชีวิตของแต่ละคนมันอดไม่ได้ธรรมดาของผู้ชนเนี่ยนะมันอดไม่ไ ด, ด้บางครั้งเราทำความดีเราอดชั่วไม่ได้จริงไหมจริงไอ้ชั่วจะชั่วแบบไหนก็แล้วแต่นะครับ มันอดไม่ได้จริงๆซึ่งเราต้องดูให้ออกว่าเอ้มันชั่วแบ่นบางทีเราก็นึกว่าเป็นดี่ะเช่นสมมติว่าเราศรัท ธ, ธาเนี่ยศัตรูศรัท ธ, ธาเองเป็นกุศลแต่ศรัท ธ, ธาจนงมงายผลผลิตข้าวที่ได้ก็มเมล็กข้าวใช่ไห ม, มเล็กข้าวเป็นผลหลักปลูก พูดป า, ากผลไม้อย่างอื่นก็เหมือนกันอ่าทีอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องเหตุหลักไอ้อ้เรื่องข่าเนี่ยมันเหตุกับผลว่าเหมือนกันคือตัวเหตุกับผลเนี่ยมันเป็นสภาวะประเภทเดียวกันเหมือนกับประเด็นอื่นที่จะได้พูดต่อไปบางทีไอ้เหตุกับผลบางคนละตัวสภาวะก็มีเราลองคิดบวแล้วกันว่าเหตุเวลาคนเพราะเหตุเนี่ยเอาเหตุไปตบแล้วมันม้อออกมาแล้ว เอาเชื่อเชื้อราใช่ไหมเชื่อเห็ดไปโรยมันก็กลายเป็นเหตุไอ้ผลผลิตหลายอย่างที่มันไม่ได้เหมือนกับตัวผลอันไม่ได้เหมือนกับตัวเหตุไอ้นั้นเงีง่ของการเทียบระหว่างตัวเหตุตัวผลว่ามันเหมือนหรือไม่เหมือนนะมันมีประเด็นหลังอยู่นั้นในทีน่นี้ท่านยกตัวอย่างว่าผัดสาเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดอะไรได้บ้างถ้าจะเอาทุกอย่างไม่เอาว่ายเหตุว่า ไม่ว่าหลักว่ารองเนี่ยนะฮะมันเยอะเช่นผัสซ่าเป็นเหยุให้เกิดตัณหาไหมได้ไหมได้บางแห่งพระพุทยเจ้กาก็บอกว่าให้ระวงังผัดซ่าเพื่อไม่ให้เกิดตัณหาผัดซ่าเป็นเหตุให้เกิดเจตสิก อ, อื่นๆได้ไหมตามหลักระิธรรมได้เจตสิกอิ่มอิ่มรับอารมณ์ได้เพราะผัสซ่ามันกระทบอารมณ์ผัดซ่าเจตสิก เป็นความรู้สึกรับกระทมอารมณ์แต่ว่าสิ่งที่เป็นผลโดยตรงเป็นผลที่เป็นประธานเป็นหัวหน้าคือเวทนาใช่ไหมใช่ภัสสะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาอากุศลกรรมเป็นเหตุให้เกิดรกรุศลนิบัติบากหรืออกุศลนิบากเป็นเหตุให้เกิดอกุศลนิบาก นี่ยนี่นี่ว่าถึงว่าความไปเหตเป็นผลแต่ว่าไอ้จริงๆเนี่ยบางทีอากุศลกรรมเป็นเหตุให้เกิดกุศลหรือบาปหรืออากุศลนี้บาปเป็นเหตุให้เกิดอากุศลนี้บาปนี่ยนี่นี่เว่าถึงว่าความไปเหตเป็นผลแต่ว่าไอ้จริงๆเนี่ยบางทีมันเป็นมีลักษณะที่เรียกว่าคนทํา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 เวลากุศลหรืออกุศ ล, ลกรรมเหล่านี้ให้ผลเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเป็นเจ้าของผลนั้นโดยเอกเทศได้มันจะต้องว่องกันไปด่นกันไปว่งกันไปดึงกันไปอย่างไรคือคนบางคนนั้นเมื่อได้รับกุศลวิบากแล้วจะมีอกุศลตามติดเข้าไปด้วย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 มันอดไม่ได้จริงๆนี่เราต้องดูให้ออกว่าไอ้มันชั่วแบบนั้นบางทีเราก็นึกว่าเป็นดีไปเช่นมสมมติว่าเราศรัทธาเนี่ยศัตรูศรัทธาเองเป็นกุศลแต่ศรัทธาจนงมงายจนยึดติดอุปาทานกลายเป็นชั่วพี่ใช่ไหม ไอ้ตรงนี้บางทีเราก็อาจจะมองไม่เห็นเนื่อควบเป็นดีไปเวลามันส่งผลก็ทําให้เกิดไอ้ปรากฏการณ์ในชีวิตของคนบางคนนี่แปลกๆต่างๆกันถึงกับว่าไอ้บางคนทําความดียังมีอุปสรรคคนบางคนทำความดีมีอุปสรรคใส่บาตรตจละตีต้องคอยหลบๆเลี่ยงๆกลัวพ่อกลัวลูกเห็นกลัวพ่อแม่เห็นกลัวสามีเห็น คือทำด้วยควา ม, มกังวลนะียกขนสำรับออกหลังบ้านนิวซาไปใจพวกเรามาเล่าให้ฟัง่ยทำความดีทุกอย่างมีอุปรสรรคแม่แต่จะให้เขายังมีอุปรสรร์เออมันมันแปลกจริงๆนะเราก็ไม่ถึงขนาดนั้นพวกเราเนี่ยก็จะมาหรืเล่เาไม่รู้อ่ะน่าเห็นใจจริงๆประเพียนนี้ติมไม่ถามว่า คนอย่างนี้ไปทำอะไรแล้ววงวัลบางคนเนี่ยเวลาจะไปทําความดีคนที่ได้รับการทําความดีให้เนี่ยมีความรู้สึกเลยว่าแหมคนนี้น่าเอาเปรียบคนนี้น่าหลอกคนนี้น่าต้มคนนี้น่าตุ้เคยเห็นคนแบบนี้ไหมเช่ยไนไปให้เขาสิบบาท เขาเข็นหน้าแล้วแมจะต้องเอาให้ได้ยี่สิบกลายปเป็ น, นังไปมันคือมั น, มนกลายปเปว่ตัวเองเนี่ยมันมีกรรมชนิดที่เรียกว่าพอทำความดีแล้วความชั่วคนชั่วต้องตามติดขึ้นมาเลยคนชั่วได้ช่องสะกดรอยตามติดเลยทำความดีแล้วไม่มีพลังตรงนี้นะเรามองแล้มองไปหาหลักแลยเห็นชัด คนบางคนเนี่ยทําความดีแล้วมีพลังเช่นว่าช่วยใจแล้วก็เห็นบุญคุณสูงนะเขาเกรงใจสูงแต่บางคนนี่ยิ่งช่วยยิ่งไม่เกรงใจยิ่งช่วยยิ่งไม่เห็นบุญคุณเห็นเป็นโง่เห็นเป็นเง่าเห็นเป็นหน้าหลอกหอกคนเดียวไม่พอไปช่วยคนอื่นมาหลอกอีก ม, ามาัาแสดงความไม่ดีต่างๆ ลองมองเข้าไปขนามะอยากมองแล้วเห็นนละยโอ้เป็นอย่างนี้แล้วคนพวกนี้ถาทถ้าถามว่าไปทาอะไรไว้อย่างไรมันมีหลายประเภทไอ้ประมันเกิดอันนี้ถือว่าเกิดจากกรรมเป็นอมุตานนะคือไอ้ประเภทที่เรียกว่า <c oughs> ทำความชั่วในแอไปทำความดีในลักษณะที่หลอกให้คนทำความดี มันเป็นไปได้ไม่หลอกให้คนทำความดีหลอกให้คนทำความดีใช้วิธีการหลอกและเช่นว่าบางทีไอ้ความดีบางอย่างที่ตัวเองไปให้ก็ทําเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อเอาบุญนะครับทำเพื่อยอย่างอื่นทำเพื่อเอาอยางอื่นเช่นว่าเราเราต้องการสแสวงหาความสำเร็จอะไรบางอย่างจะเป็นยศถาบรรดาศักดิ์ก็ได้ ที่เขาเปลดจองว่าถ้าคนทําความดีอันนี้แล้วจะได้ตัวเองก็ไม่จะไปลงตัวเองก็ไม่ได้ตัวก็คอยบอกกล่าวเล่าขานใครเข้ามาได้อ้างเป็นเรื่องบุญนะเสร็จแล้วก็ทำทำําแล้วตัวเองก็ไปได้ดีมุ่งเอาความดีอันนี้ไม่ได้มุ่งเอาอันอื่นแล้วก็ใช้วิธีการก็เหมือน จริงบ้างเล่บ้างม่โม่ไปพอตัวเองได้วิบากเนี่ยวิบากนั้นจะไม่เป็นของตัวเองได้มาแล้วก็ต้องต้องคืนไปให้คนนี้ก็ตั้งใจจะตามจริงๆนะตัวเองได้มาก็ต้องไปเสียคนอื่นด้วยประการต่างๆแล้วแต่ว่าเราจะไปตามใบกระขายยังไงลักษณะอย่างนี้มีหลายหลายลักษณะมากมีเป็นเพียงกิงหนึ่งบุมหนึ่งเท่านั้นเองมันก็เลยติดมาเป็นบุคลิก เป็นชะตาชีวิตของคนได้ความคิดขึ้นมาตอนหลัง อ, เ, อ, อเวลาเราซื้อของไปแจงเด็กเด็กมันเด็กเล่นเล่น เ, นเราเดินบานซื้อเราเอาขนมเป็นห่ อ, อ ก, กินเสร็จแล้วมันก็กินเกลือนอยู่นั่นแหละครับให้เราคนเราเอเนี่ยเราเอาขนมมาให้เด็กกินดีแต่บางทีเราคนหลังลเราใหมา่แต่บางทีต้องทําให้เด็กมันดีด้วยไม่ใช่แห้มันดีไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนด้วย ก่อนจะแจกเนะี่ยเราก็เรียกมาเมาเอบรมเลยบอกเนี่ย ห, หนูกินแล้วอย่าทิ้งศพปลงนะนะเราก็พูดอะไรแต่ละให้เด็กมันก็ใจกินแล้วห้าไว้เชื่อยวนยครับเพาหลังจากนั้นมาสะอาดโล่งเรียบมันคอยบอกกันเลยว่าเราเราเคยขอไว้เออก็นี้ก็ทําให้เราเนี่ยได้รู้สึกว่าเราให้มากกว่า สองกิดและสิ่งเหล่านี้มันพูดกันกลายเป็นโอกาสที่จะสอนเขาง่ายเลยใช่ไหมดีกว่าจะไปนั่งพูดปาเปล่าสอนเขาอย่างนี้ทำให้เขาเกิดความรู้สึกเกิดพฤติกรรมในทางที่ไม่เสียหายขึน้นลักษณะอย่างนี้ครับที่เราเรียกว่าการทําบุญอะไรก็ตามที่ทำแล้วมีแผนที่รอบครอบเนี่ย บุญนั้นเวลามันมาส่งผลตัวเราแล้วมันคุ้มเหล่าไม่ทําให้เราเ อ, อได้รับผลในลักษณะโผลเปื่อนคือมีบาปมาปผลเปื่อนหรือมีอาคุณมาโผล่เปื่อนเพราะฉะนั้นที่คนบางคนเกิดมาสวยและชีวิตได้ดีๆๆได้ดีก็มีบางคนเกิดมาสวยวชีวิตต้องตกต่ำเพราความววาสวยก็มีใช่ไหมใช่ชีวิตบางคลเกิดมาหล่อแล้วต้องไปดนเพราะ่าตายไห้หล่อนี่แหละก็มี นี่ยมันรออะไรเกิดมาร่ํา ม, มารวยมมื่อกเสียหายเพาะความร่ำความรวยก็มีอันนี้เราก็เรียกว่ามันเป็นเรื่องไอเหตุผลที่มันเข้ามาแต่ที่ผมว่าเมื่อกี้นี่ว่าอย่างกรณีของทุกขลาภเนี่ยทุกขลาภถ้าถามว่าทุกขลาภ อะไรเป็นประธานเหตุอะไรเป็นประธานผลทุกนี่เป็นกุสมนิบาใช่ไม่ใช่ลากเป็นกุสมนิบาถามว่าอะไรเป็นประธานเหตุเป็นประธานผลตอบว่ากูสมนิบากับลาบเป็นประธานส่วนทุกที่ตามหลังมานั้นไม่ใช่ประธานเป็นตัวรองตัวตาม มันแฝกมากับบาปที่ทำเพราะฉะนั้นเวลาที่คนไปขโมยเหล้าเขากินอย่างไอ้หฮี้ยวใช่ไหมเชื่อเฮี้ยถามว่ามันทำบาปกี่ข้อผิีกี่ข้อสองข้อข้ออธทินาทานข้อสอง ปข้อห้าถามว่าสองข้อเนี่ยข้อไหนเป็นประธานประธานเหตุข้อห้าหรือข้อสองตอบว่าข้อห้าเป็นประธานเหตุเพราะอะไรจึงว่าเป็นประธานเพราะมันจะกินเหล้าคิดจะกินเหล้าใช่ไหมละ่ะอย่างอื่นมันไม่กมลน้ําชาไม่กมลถ้าเป็นเหล้ามันขโมยอคนที่ เราคงคืนค่าผิดศีนข้อหนึ่งกับข้อสามถามว่าอะไรเป็นประธานเหตุค่าเป็นประธานเหตุหรือข้อสามเป็นประธานเหตุข้อสามเป็นประธานเหตุปล้นค่าอะไรเป็นประธานเหตุปล้นเป็นประธานเหตุนะไอประธานตัวนี้เอาอะไรมาเป็นเป็นตัวกําหนดตอบว่าเอาเจตนาเบื้องตน้น เจตามาละ่ะบางคนไปปล้นเนี่ยมันคิดเลยว่าจะฆ่าจะฆ่ามันไม่อยากฆ่าหรอกจริงๆ น, นนะแต่ว่ามันจาเป็นต้องฆ่าใจของมันแล้วเนี่ยมันอยากจะปล้นเอาทรัพย์สินทำปิดสินข้อที่สองแล้วก็อาจจะมีบางคนประเภทที่ฆ่าแล้วก็เลยเอาของเข้าไปซะด้วยอย่างนั้นก็การฆ่าเป็นประธานีต ณเวลาที่ได้รับผลเนี่ยมันก็จะมีไอ้วิบากตัวประธานผลออกหน้าแล้วก็อย่างอื่นตามหลังมาแล้วแต่จะทำไว้แบบไหนยอย่างอย่างไอ้แฮวเนี่ยถ้ามันได้รับวิบากเนี่ยมาลองว่าที่มันจะเป็นยังไงอะไรจะเป็นตัวออกหน้าเพราะว่าเกิดจานาผลของการรักทรัพย์ ทำให้สรัพย์วิบัติใช่มะผลของการดื่มสุราทำให้ปูมัญญาส ต, ติระมัญญาเสียเพราะนั้นแกก็จะได้บุคลิกทางสติรนะมัญญาแล้วแ็จะกินมากม้อแค่ไหนอนี้นะแล้วก็ทรัพย์สิน ก, ก็เสียหายตามหลังมาตรงนี้ฝากเป็น ข้อปฏิบัตินั่นหนึ่งว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามแต่เวลาที่เราได้รับผลอะไรอยู่จะเป็นผลดีหรือผลไม่ดีขอให้หาเหตุหลักให้ได้ว่ามันควรจะเกิดจากเหตุหลักอะไรแล้วเวลาที่เรากำลังทำหตุให้ดูให้ออกให้ได้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ย ดีก็ตามชั่วก็ตามอะไรเป็นตัวหลักอะไรเป็นตัวรองและเราเมื่อได้รับผลได้รับวิบาก ค, ควรจะได้รับลักษณะอย่างไรและสิ่งเหล่านี้นะโกอกตัวเองไม่ได้นีวอาการที่เราดูเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกสมมติว่าในกรณีนี่พูดถึงเรื่องในแง่ของกรรม คามจิงไอ้เหตุปัจจัยอื่นก็อ้างได้ในแง่ของกรรมก็ว่าเห่นเวลาที่เราจะแก้กรรมเราจะทำกรรมอะไรเพื่อแก้ผลอะไรนะฮะเราก็ดูผลหลักแล้วก็ดูเหตุหลักให้มันพอวา พ, พอเวียนกันแล้วก็เอามาแก้กันพี่ถ้าสมมติว่าเราเราใช้เหตุหลองใช้เหตุหลอง เราแยกผลกับผลเนี่ยมันก็กโตกระทั่งกันได้เหมือนกันนะอแต่เราก็พูดเป็นเป็นลักษณะเป็นผลนันหนึ่งเป็นเหตุผลนั่นหนึ่งเป็นผลไปก็ได้ก็เรียกว่ามือบากกับปัจจัยนะเ mm hmm. สือมือบากผลเองก็ามามีฐานะเป็นปัดัยได้อีกอข้อนี้หมายว่าว่าเวลาที่เราจะแก้เนี่ยแก้ปัญหาอะไรก็ตามเนี่ย เราจะเห็นว่าไอ้บางคนเนี่ยมันแก้แล้วมันแก้ไม่ได้และตรงแล้วก็จริงๆไม่ใช่ว่าใครจะแก้ได้หมดนะหมายถึงว่าแก้ให้สำเร็จในเงื่อนไขเวลาเดียวนั้นเท่านั้นพระพุทธเจ้าเองก็ช่วยแก้ทุกคนไม่ได้ทุกคนจริงไหมจริงการแก้ใครช่วยเหลือใครอย่างไรเนี่ยพระพุทธเจ้านั้นท่านเป็นเพียงเหตุปัจจัยหนึ่ง บางีแก้แก้ด้วยวิธีการด้วยอะไรต่างๆที่มันบวกบงังกันอยู่ก็เพียงจะสับปลี่ยหรือบางทีก็ใช้พลังเหตุปัจจัยจากท่านมาช่วยกอบกู้สภาพการที่ไม่พึงปรารถนาให้พ้นไปได้ในขณะนั้นหรือว่าทําให้บรรลุสิ่งที่ปรารถนาได้ในขณะนั้นแต่ถ้าพูดถึงว่าในระยะยาวอันไม่จํากัดการแล้วลปล่าซึ่งเราจะรอไม่ไหวมันแก้ด้วยทุกคน่ะอยู่ีเฉยมันก็ตกไปแล้วใช่ไหมฮะมันก็เปล่า แต่ไอ้ยังงั้นมันไม่ใช่วิธีแก่รอใมันหมดเวลาเนี่ยมันไม่ใช่วิธีแก้ไอ้การแก้นักษณะของการรอเวลาเนี่ยเขาเรียกว่ารอเวลาเพื่อมันยังไม่หมดผลนะรอเวลาเพื่อให้ได้ช่องเช่นว่าเวลาวัฏจักรนรั้นมันอ่อนหรือเวลาว่ามไีไอ้ไอ้ปัจจัยหนุนเข้ามาหลักหลักเข้ามาแล้วเราก็พุ่งปัจจัยปัจจัยหนึ่งเข้าไปก็ทําให้ แกสถานการณ์นั้นให้พ้นได้มันต้องต้องจับตัวหลักให้ได้ เ, เราเราจะเห็นว่าบางบางทีเนี่ยไอ้แก้ในชั้นความคิดมึนแก้ไม่หลุดแก้ในชั้นความพยายามแก้ไม่หลุดเคยเคยเห็นแลมที่เปิดออวิทยุโยมโทรมามีปัญหาเรื่องชีวิตรุนแรงมาก ติดต่อกันมาเอยจนละหมดประตูแก้เลยไม่รู้จะแก้ยังไงเพราะว่าพระเสนอแน่นในชั้นความคิดชั้นความคิดเนี่ยก็โปลดได้เป็นข่าวคลาแต่ปัญหามันบีบก็มามก็ครอบงำจิตวิธีซึ่งไอ้ตามความคิดเราเนี่ยเราก็มองว่านี่มันเป็นเรื่องของกลุของกรรมถ้าแก้ทำไปไม่ถึงจุดนั้น ไม่มีทางหลุดเลยช่างความคิดถ้อยไม่ได้ต้องไปพึ่งหลักกรรมสำหรับกเมีอยงนะเราไปดูอีกข้อหนึ่งครับเหตุปรากฏผลก็ปรากฏก็มีไม่ใช่ครงณีไม่ใช่กรนีนะมา้ว่าเหตุกับผลไม่ปรากฏก็มีตรงนี้แหะครับมันเป็นเรื่องที่ถ้าถามว่าปรากฏหรือไม่ปรากฏทั้งเหตุทั้งผลนะมันว่าอะไร ว่าปรากฏเพราะเหตุผลนั้นตื้นมันกรปรากฏหรือปรากฏเพราะว่าคุณบาญาอางอยู่บนนั้นลึกก็ทำของลึกให้ตื้นขอไม่ปรากฏเนียไม่ปรากฏอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าคนเป็นเอกเป็นมลเร็งเนี่ย รู้ทุกคนเลยว่าเป็นปุ๊บเป็นปรู้ปั๊บไม่รู้และอาจจะมีบางคนที่เป็นจนตายอาจจะยไม่รู้วะนะแต่ว่าจะรู้ว่าเป็นเอิดหรือไม่เป็นเนั้นมันก็ยังเป็นเรื่องเรื่องหนึ่งหละแต่รู้ว่าตัวเองกำลังมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแล้วในสลีลานีเนี่ยหลายคนอาจจะไม่เหมือนอย่างที่เราเห็นเหตุนเนี่ยนี่เป็นตัวอย่างกรมีเรื่องโลกแต่ว่าบางคนเนี่ย <c oughs> แค่จะเป็นวัดเนี่ยรู้เลยรู้เลยวันนี่กำลังจะเป็นวัดเลยรู้ล่วงหน้าเร็วมากจามแปดเนี่ยรู้แหละดรือมีอาการอะไรบาอย่างนี่เป็นคนเช่สังเกตตัวเองนะบางคนก็ไม่ช่างสังเกตไอ้ น, นี่มันเป็นผลแล้วก็าสังเกตเพราะอะไรมันเกิดเพราะอะไรบางทีเราบางคนก็นั่งก็สวนโอไล่เบี้ยงมันนี่มันมีมันนี่ เราไปเป็นอย่างนั้นไปอยู่ที่นั่นไปตามอย่างนั้นไปกินทีน่นี่มันเหมือนเป็นอย่างนี้รูอ้อย่างบางคนที่เป็นคนที่แพ้อิโนไล น, นีนะเห็นบางคนแพ้ผิว ห, หนังก็แปลกๆนะแพ้เครื่องสําอางทุกชนิดใส่ใสไม่ได้เลยใช้ไม่ได้เล ย, เลยถ้าใช้ไอ้ประเภทไอ้สมุนไพรมีพอได้แต่นิดเดียวนั่นเลยแล้วก็กลายเป็นคนที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม วันไหนกลับมาบ้านหนาแดงกันืดูมึงจะรู้เลยว่าไปที่ไหนมายังไงนั่งครอบตัวแล้วรู้ถ้าเป็นอย่างบางคนแพ้อาหารเติมใี้ไม้ร่างกายอยู่ปกตินะนึกครอบตั ว, ตวนี้เพราะอะไรรู้ทันทีว่าอ๋อเพราะอย่างนี้อย่างนี้อ่างนี้หนึ่งก็ที่จริงไ อ, ไอ้ตัวอย่างที่ว่ามันก็เป็นเหตุผลในลักษณะ โดยโตยัวมันเองก็ไม่ใช่เป็น เ, เนรื่องลึกอะไรนะฮะแต่บางคนก็มาอาจจะไม่เคยรู้นี่เหตุผลในชีวิตคนเนี่ยเราพูดถึงเ่งข้ามาเป็นลักษณะเหตุผลหน่อยว่าคนบางคนเนี่ยทําไมถึงชีวิตเป็นอย่างนี้นะชีวิตเขาอยู่ดีมีทุกข์แล้วนิสยัยเขาเป็นอย่างนี้นะชีวิตเบางคนกชีวิตอยู่ไม่ดีมีทุก แล้วทําไมวิสยัยเขาเป็นอย่างนี้มันตรงมันข้ามกับความทุกข์ในีวิตเขาปัญหาชีวิตเขาเนี่ยนะไอ้ตรงนี้นะปัญหาลักนณะอย่าง น, นี้นะ่ะเราเกิดสงสัยกันอยู่เรื่อยแหละเวลาเราศึกษาบางทีก็อาจจะถูกคนอื่นมาถามว่าไอ้เหตุปัจจัยมันมาทับซ้อนกันอย่างไรแล้วก็เวลาเราโทษเราก็โทษไปเตื้อ ถ้าเป็นบทชาโลกคนคันแกโทษเหตุปัจจัยตื้นตื้ถูกไม่ถูกโทษหมู่โทษมีโดยมากก็โทษตื้นตื้นคนยิ่งที่เลสหนาบรญยาหยาเท่าไหร่นี่จะโทษปัจจัยตื้นตื้นแล้วก็โทษถึงขนาดสิ่งนั้นนั้ไม่ใช่เป็นเหตุปัจจัยของผลที่ปรากฏนันเลยก็โทษกันไหมครับทํานองอคนไปเดินเตะกระโถเนี่ยโทษคนวางกระโถน ผัวประชนนะจ น, นี่ก็โทษส่งไว้หมดทั้งที่ไม่น่าจะโทษคนที่ควรจะโทษคือตัวเองแต่ว่าในคติของพระเนี่ยแปลกปลกอย่างหนึ่งว่าพระหรือผู้ที่เข้าถึงธรรมะชั้นสูงท่านค่อนข้างจะไม่ไม่โทษไอ้ที่เราโทษที่ชาวโลกเขโทษที่ชาวโลกเขว่าจ้่าท่านไม่คุยเราก็ไม่รู้ แต่ว่าถ้าน่านพูดให้ฟังท่านก็จะพูดสาวลึกลงไปถึงเหตุที่เราคิดไม่ออกมาไม่เห็นแล้วก็มาแสดงให้เราฟังเราถึงเข้าใจอ๋นั่นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็มันก็มีมีเรื่องข้อเท็จจริงอันหนึ่งด้วยนะอันนี้ของเราพุกกรเลยคือใครที่เห็นเหตุลึกเนี่ยมักจะมีความถื่อสาน้อย ถือสาผลถูอสาเหตุนะน้อยคนที่เห็นเหตุตื้นโทษเหตุตื้นยิ่งโทษเหตุไม่ถูกขวาถูกตัวมักจะเป็นคนมีความถูสามากก็เพราะมันถูสามากนี่ก็มาเลยบังทําให้เราไม่เห็นเหตุที่แท้จริงใจมันไม่เป็นกลางไปแล้วใช่ไหมใช่ถ้าใจเป็นกลางไปแล้วก็ทําไม่เห็นเหตุที่แท้จริงก็มีโอกาสตัวเพียงมือแล้วก็ผลอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า สองฝ่ายเนี่ยโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาชีวิตหรือนําชีวิตไปสู่สิ่งที่ตัวเองมุ่งมั่นปรารถนานะไอ้ข้างหุ้มไม่ถือไม่ยึดติดแล้วก็มองได้ลึกเนี่ยมีโอกาสแก้ปัญหาได้ดีกว่าถูกไหมมีโอกาสที่จะประสบความสุขความสําเร็จในชีวิตดีกว่าไอ้คนตื่นเตนเนี่ยมันก็โ ง, ง่ล่ะค แล้ว ม, มันเป็นอย่างนี้แล้วไอ้เ น, นี่ยตัวเราเองเนี่ยเป็นพยานากับตัวเราเองได้เพราะว่าเราก็มาจากคนตื้นๆแล้วคนลึกกว่าเก่ากว่าเมื่อก่อนแล้วก็เราก็อาจจะตื้นกว่าอีกหลายๆคนที่เขาไปลึกกว่าเราแล้วก็ความสูขความน้ำลาในชีวิตเราก็สู้เขาไม่ได้การแก้ปัญหายิ้งยต่างๆก็สู้เขาไม่ได้เพราะฉะนั้น จึงมีสัมมณ์มุติเจ้าเมื่อท่านพูดถึงในเรื่องผลลึกเหตุลึกเนี่ยวะทำสิ่งลึกให้เป็นสิ่งปรากฏทำของลึกให้เป็นของตื้นด้วยอำนาจยานปัญญาความรู้ความสามารถโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งในทางปฏิบัติธรรม หรือถ้าเป็นกรมีของท่านอนที่กล่าวถึงเรื่องเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทว่าข้าพรองค์เห็นปฏิจจสมุปบาทเพราเป็นของตึ้นพระผู้มีภาคก็ตรัสท่ามทีแรกว่าเจ้อยากกล่าวอย่างนั้นแล้วก็ตรัสทีหลังว่าชมท่านอนว่าที่เป็นปลรากลดตึองอ้งกับเจอเพรเจ้เป็นคนมีปัญญามากที่พูดอย่างนี้มันมีความหมายเป็นสองส่วนนะส่วนหนึ่งคือพูดตามสภาวะลำดับ สภาพของปรากฏการณ์สังผลเหตุในโลกนี้อาการปฏิจจานั้นอยู่ในลำดับเป็นของลึกโดยสภาพเมื่อเอาโทมัญญาของบุคคลเข้ามาแปรแล้วก็กลายเป็นของตื้นเพราะคนนั้นมีมกูมบัารึก มันว่าอุณหภูมิเนี่ยมันก็มีกี่องศาอยู่องศามันมีเกณฑ์มันอยู่เมื่อไหรเมื่อไหรมันก็ใครจะคิดว่าไม่ร้อนมากมันก็3องศาก็แค่นั้นใครจะคิดว่าร้อนมาก3องศาก็แค่นั้นนั้นพูดตามี4องศาก็อย่างหนึ่งก็ว่าไปตามตัวเลขพูดตามความรู้สึกของบุคคลก็ว่าไปอย่างหนึ่ง คนร้อนคนหนาวของแต่ละคนแตกต่างกันเป็นไปนอีกส่วนหนึ่งเราจะเอาภูมิของเราเนี่ยไปลบล้างไอ้มาตรฐ า, านตรงกลางก็ไม่ได้อ่านี่ตัวอย่างที่ท่านว่าไว้ในคภินิพิทักษันยกตัวอย่างที่ผมเอามาเป็นตัวอย่างหนึ่งเนี่ยว่าเช่นเสมหะเป็นเหตุปรากฏกรรมเป็นเหตุไม่ปรากฏ ของอาพาธที่เรียกว่าเสมห์อาพาธสมุทฐานทั้งอาพาธและเหตุอาพาธเป็นสิ่งที่ปรากฏอตรงนี้นะหมายความว่าเวลาคนอาพาธเนี่ยถามว่ายาอันนี้ก็ว่าเป็นฟ้าออกไปในหมัวเราเคยได้ินก็เป็นพุทธพจะไม่ใช่เองมาพูดกันเองอยู่นะก็เลยไปดกจริงๆไม่ใช่เอกสาพูดด้วย เป็นของาจากพรุทธเจ้าสมุทฐานของโลกมีตีสมุทฐานจะไม่ใช่เคยได้ยินไหสมุทฐานเกิดจากกรรมเกิดจากจิตเกิดจากวุตูเกิดจากอาหารเป็นสมุทฐานให้เกิดโลกเกิดจากวุตุนี่ก็โชคเสพห่างเสพเมออะไรเ็เกิดจากวุตุอ๋อสิ่งแวดล้อมฤูดูต่างๆเป็นวุตุเกิดจากจิตก็เรื่องอารมณ์ความรู้สึกเมื่อคิตแล้วก็เกิดจากกรรมก็กรรมที่มองไม่เห็นน่ะ เกิดจากอาหารก็ของที่กินเข้าไปทําให้เกิดอาภาัอทั้งหมดเหล่านี้น่ะถามว่าอันใดที่เกิดจากจิตจากอูตุจากอาหารที่ไม่ใจตกรรมนะตำมไม่เกี่ยวหรือต่อว่าไม่ใช่คนเนี่ยได้รับภูเขาเวทนาทางไหนทางไหนแค่ไหนแค่ไหนไอ้ที่จะ ตลอดจากกรรมหรือไม่มีอา้าวถ้ไม่มีแล้วทําไมถึงมาแบ่งเป็นสี่ที่แบ่งเป็นสี่เนี่ยเขารียว่าแบ่งตามเหตุอ่าหลักเหตุหลองเหตุปรากฏเหตุไม่ปรากฏโดยเฉพาะเหตุหลักเหตุหลองเหตุหลักเหตุหลองไในก็มีทุ้ผลนั้ น, น, นอคือ มันยกัว อ, อย่างอย่างสมมติว่คนแพ้นั่นแพ้นี่แพ้กับมาบ์กาลาต์เนี่ยนะไอแ้แพ้ๆนี่มันน่าจะเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรเป็นตัวฐานอยู่ลึกๆ ก, กรรมใช่ไหมใช่ไะอ่าถ้าสมมติว่าเราแพ้สารเคมีบางอย่างหลายๆอย่างกรรมที่เราทําไว้ทําให้เราแพ้นะฮะอดีตสมุทรฐานลึกๆทีนี้เราแพ้เราไม่ถูกสารเคมีจะเกิดอาการหายใจไม่ออกเกิดกลืคนคันอะไรขึ้นมาได้ไหม กรรมไม่สามารถจะทำให้เกิดอาการแพ้อย่างนั้นได้เราเมื่อไปต้องเอาสารเคมีสิ่งที่เราแพ้ถึงเกิดอาการอันนี้นะนี่แหละครับเรียกว่าอาการที่เป็นผืนเป็นแพ้เนี่ยเป็นผลปรากฏใครก็เห็นใช่ไหมเราก็เห็นเหตุที่ปรากฏคือสารเคมีต่างๆที่ให้เราแว้นี่คือผลและเหตุที่ปรากฏแต่เหตุที่ไม่ปรากฏมีไหมมี คือกรรมทีนี้มันมีไอ้ไอ้ขลที่ปรากฏแต่เหตุไม่ปรากฏอย่างคนที่เป็นโลกตลาดตลาดมีไม่มีหาเหตุไม่ได้แย่ๆนะแล้วบางทีต้องมาใช้วิธีแก้กรรมมันมีวิธีแก้เกล็ดอะไรต่างๆก็มันก็เป็นเรื่องเหลือเชื่อมันก็โกลเดไม่เยอะแหละเพราะว่ามันเป็นเรื่องลึกนี่ทำไงได้ล่ะก็ต้องมาแก่อายุเรือย่างอย่างที่ในสมัยโบราณมีมากเนี่ย แต่ที่โลกที่เราไปบ่อยอย่างนางโรยิเม่เป็นโลกผิกหนังใช่ไหมเป็นโลกผิวหนังนี้ไม่รู้เป็นได้ยังไงตั้งที่เป็นคนในรั้วในวงังเป็นเจ้าหญิงเป็นแล้วปลายเป็นโลกผิวหนังรายแบ่งก็บงังเอิญพี่ชายเก่งตาทิปลาโนทะเห็นว่านี่เกิดจากอะไรเกิดจาก ก, กรรมเก่าไม่ได้พรดาเคขาแต่ว่าเอาไอ้ไอ พวกของคันของอะไรเนี่ยไปใส่ใส่ลายเขาไปใส่ลำลายครับตัวเองก็มาได้รับสวยบิบักระโนีกหนังอย่างนี้พระอนุรุธเห็นก็บอกบอกให้แกด้วยการเอาเครื่องประดับซึ่งถือเป็นบุญดังวันนะนะเสียสละวันนะไปทำบุญแล้วก็ทำความสะอาด กุฏิวิหารที่ได้สร้างไว้ค่อยๆทำโลกค่อยๆทุเราพ้นสุดท้ายอย่างเนี้ยมองเห็นสมุทฐานทางนี้ไอ้ตัวนี้มันมันท้าทายเรานะว่าเราในเห็นไอ้เหตุที่เราเห็นก็เหตุเห็นเห็นเหตุที่ปรากฏแต่เหตุที่ไม่ปรากฏนี้เห็นยากเราถึงต้องพึ่งอ่าผู้ที่มีคุณวิเวททางนี้ช่วยแนะนํา แก้ไขเราถึงจะแก้ปัญหาหลายๆอย่างได้ไม่แก้ได้เดี๋ยวนั้นก็ค่อยๆตื่นค่อยๆไปออย่างเราถึงบางทีต้องสนิทฐานเอาหรือแก้หลายๆอย่างแล้วก็ดูผลคืบหน้าทีละนิดทีละนิดสกุคนทําทางจิตมันช่วยได้เยอะครับไปถึงกบเพ่งเอาเลยให้มันโผล่ขึ้นมานีมบ่อเกิดจากอะไรแล้วก็โผล่มาบอกเราเองว่าเพราะอันนี้อันเนี้ย น, นี่บางทีนนมันรู้ลุงหน้าได้จังอาทิตที่สิบ